เดินนั่งตามสบายฐานไหนเคนั่งก็นั่งตามสบายการทำธรรมะ <c oughs> <c oughs> คืนนี้ก็ไม่ลงเพาหนื่อยคืนวานนี่ก็ลงขาดขันมันก็ไม่ค่อยจะเอาฐานให้เดี๋ยวนี้ <c oughs> <c oughs> การปูตธรรมะก็ไม่ค่อยสะดวกเพราะความรู้ความฉลาดก็ไม่ค่อยจะนี้ คนเคยผ่านตำรับตำลาเคยปฏิบัติศึกษาจากครูจากอาจารย์มา <c oughs> พอสมควร <c oughs> การมาพักวัด <c oughs> แล้วเฉพาก็คาววดส่วนพระเนนที่อยู่ไปจำนั่นก็เป็นอีกอย่าง <c oughs> เรามาพักเพื่อปฏิบัติธรรม ที่เราเคยได้ยินได้ฟังจดจำมานำมาที่นี้ที่จะได้นาะศึกษาตั้งหน้าปฏิบัติตามความสามารถของตัวที่จะทำได้พ <c oughs> อรามาวัดก็จะต้องมาวัดดูจิตใจของตัวอยู่ในบ้านมันคิดปรุงยุ่นเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆนานาุนาราน้าที่มั้นก็มากมาวัดเห็นที่สงบสงัด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 ฝกความสบายเดียพักผ่อนนี่คือการมาพักวัดวัดจิตวัดใจของตัวเองดูจิตดูใจของตัวเองว่าอยู่ในบ้านเป็นอย่างไรอยู่ในวัดเป็นอย่างไรถ้าไม่เห็นคุณค่าสาระในการมาพักมันก็หมดศรัทธาเพราะการมาก็ไกลเสียเขาควงเงินทองเหน็ดเหนื่อยเหมือนหิ้ว มาแล้วก็ไม่เกิดสระประโยชน์อะไรให้ <c oughs> สู้อยู่บ้านอยู่สองห้องตัวม่ได้สะดวกสบายนี่คือความเห็นของจิตของใจที่ไม่ได้อะไรจากการมาวัดถ้ามาแล้ว <c oughs> พยายามขับไล่สัญญาอารมณ์ออกจากใจให้จิตใจได้พักอยู่ในวงของอัดของทรรม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 ไห้ในใจของตัวให้ใจของตัวอยู่ให้ใจของตัวหยุดให้ใจของตัวพักเมื่อใจมันหยุดมันอยู่มันพักรวมรวมด้วยความสงบสงัดเห็นชัดไ่าจิตของตัวไม่ได้ฝุ่งฟูงคิด น, นึกติดข้องกับสัญญาอารมณ์ต่างๆ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 จิตมีคุณค่าจากการประพฤติปฏิบัติศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสความเต็นใจอยากจะประพฤติปฏิบัตินั้นมันมาเองเพราะทุกคนไม่ชอบทุกยินดีสุขเมื่อเห็นความสุขความเย็นในจิตในใจจึงยินดีพอใจอยากจะประพฤติปฏิบัติเลื่อมใสศรัทธา นี่คือทางของจิตที่จะเชื่อมั่นในการปรพื่อปฏิบัติของตัวถ้าไม่เห็นไม่เป็นเพียงได้ยินได้ฟังเขาเล่าแต่ตัวของเราเองไม่เคยริมรถของความสงบสงัดปฏิบัติไปก็ยังไม่เข้าถึงขั้นที่จะเป็นจะเห็นจะรู้อะไรความเชื่อความเหลื่อมใส่มันก็น้อย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 มาบงกุงกายเท่านั้นส่วนใจปล่อยปะละเลยเพราะจิตใจของเราท่านไม่เห็นไม่เป็นความสุขในตัวของตัวฝึกหัดปฏิบัติจิตใจยังไม่เข้าถึงขัน้นความสงบให้จิตใจจึงสงสัยจิตใจจึงฝุ่งฟูคิดนึกติดข้องในสิ่งต่างๆ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 ความสูกข้างนอกความเชื่อมันเกิดขึ้นอย่างนี้ในการประพฤตปฏิบัติศาสนาไม่ใช่ว่าเพียงอ่านตำรับตำราหรือฟังมามันก็จะเชื่อเจนเนตเจนหน่วยของมันมันไม่เป็นอย่างนั้นมันต้องเห็นต้องเป็นภายในจิตในใจของตัวผู้ที่ประพฤติปฏิบัติขันเห็นขันเป็นอย่างนั้น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 เมื่อมันมีปัญญาแนสอนตัวอย่างนั้นการกระทำบําเพ็ญความเชื่อมัน่นที่เคยเห็นเคยรู้ก่อทำเรื่อยไปแต่อย่าไปใครคิดว่าค้าวนั้นนั่งอย่างนั้นทำอย่างนั้นมันเป็นมันเห็นมันรู้มันฝึกมันสบายมันสงบมาทำคราวนี้ก่อจิตคิดปรุงอยู่ตรงแต่ของเก่าที่เคยผ่านมาไม่เดีดูแลรักษาจิตใจของตัวในปัจจุบันมีความยาก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 จึงเป็นไปเพื่อทางเสียหายเป็นไปในภายนอกจะต้องขับไล่ปัดปล่อยมันออกไปไม่อย่างนั้นจิตใจจะไม่สงบไม่เข้าถึงอัตธรรมที่เราต้องการ ม, มุ่งมั่นอยู่ในปัจจุบันที่จะานากันให้ทีทวนจากกาหนดบท บุริกกรรมก่อตัางหน้าต่างตาทำจริงจังจะพิจาจรณาธาตถันเป็นอนิจจังทุก ข, ขังอนตัตตาก่อพิจารณาจริงจังจนให้จิตของเราอยู่ในทำบริกรรมอยู่ในการกําหนดแั่นั้นแต่การกําหนดบทธรำต่างๆแล้วแต่อุปนิสัยแล้วแต่ ตัวของตัวเองจะชอบแบบไหนเอาอะไรมากําหนดถ้าเส็นบทของธรรมจิตมันสัมผัสจิตมันเย็นมันรวมให้จากการการทํานั้นมันไม่ผิดจะมีอยู่ตามตํำรับตาราครูอาจารย์จะแนะนมาก่อนกว่าตามหรือไม่มีตามตํำรับตาราครูอาจารย์ไม่เคยสอนมากวดตามแต่มันถูก สักจะหลนิสัยของตัวกําหนดลงไปใจมันเย็นใจมันสงบจะเชื่อถูกในการจะทำลมเพ่นพอมันเย็นมันสงบเหมือนกันกับยาจะมีในตำรับตาําราหรือจะมีในห้างร้านต่างๆเขาโกแต่หน้าไวา้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่เรานํามาทานเพื่อแก้ไขโรคไขภายในกายมันไม่หายให้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 ไม่ผิดทมของพระพุทธเจ้ากทําทำนองโยกกันนี้มากแปดหมื่นปีพันเราจะไปศึกษาเราเรียนจดจำออกมาทุกข้อทุกอย่างมาไว้เพื่อจะให้ตัวข้องตัวรู้ทั่วเข้าใจถึงท่องวนได้ทุกข้อทุกอย่างที่เท่าองค์ทรง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 หลายชนิดไม่ต้องไปซื้อมาทานทุกอย่างไปทานแต่ที่แเราชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดเท่านั้นมันก็อีมยังถาดขันของเราให้แข็งแรงฉันใดททำคำสอนของพุทธเจ้าก็าฉันนั้นคนที่มากมากยอมยุ่งลำบากอิ่งนี้อารมณ์มากเท่าไร คนนั้นก็เป็นเจ้าทุกข์แต่ตัดขาดจากอารมณ์ให้น้อยเข้ามาเท่าไรใจมันก็สุกมันก็สงบนี่ธรรมของพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้มักน้อยผูกภาวนาผูสชำระกิเลสต้องมักน้อยให้ต้องไปคิดนึกโยกของกับสัญญาอารมณ์ให้มากให้มักน้อยใช่สัญญาอารมณ์ของตัว อยากกำหนดอะไรต่างใจกำหนดในอย่างนั้นมันก็ไม่เกิดสาระประโยชน์ให้การมากน้อยจึงเป็นเรื่องสำคัญในปูกกระเพืปฏิบัติอยาไปศึกษาาำรับตำราเรียนอยพีพทําจบเทียก่อนยิ่งจะตั้งหน้าตั้งตาประเพื่ปฏิบัติสัญญาที่จำมามันเป็นอนิจจ คือไม่เสี่ยงบางทีได้มาแต่ก็หลงไปแต่คุบนั้นแต่คุบนี้ก็เลยไม่มีวันที่จะจําได้แน่นอนหรือจําได้ก็เป็นธรรมคาสอนของคนอื่นไม่เห็นเลยเป็นในตัวของเรามันก็ไม่เกิดประโยชน์ให้ความจริงธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะมากมายก่อตามท่านไม่ได้สอนไปที่อื่น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 ยังไม่มีให้รีบกำหนดรีบกระทาสิ่งที่ควรกำหนดควรทํเช่นจะกำหนดลมหายใจก็กาหนดอยู่อย่างนั้นเมื่อใดใจยังระลึกด้ยังไม่สงบถึงแก่นของมันเราก็ตั้งใจกำหนดอยู่นั้นจิตเมื่อมันละเอียดลงไป ลมหายใจมันก็ละเอียดตามผลที่สุดเมื่อมันสงบถึงที่ของมันลมหายใจของพวกเราท่านถึงเคยหายอยู่มาเป็นไปจำหมาว่าหลับว่าตื่นแต่มน่อยจิตรวมถึงที่จะไม่มีลมหายใจลมหายใจจะขาดไปคือมันออกไปได้ทุกขุมขนในความละเอียดของจิตเมื่อมันรวมถึงที่มันเป็นอย่างนั้น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 อยู่ท่าไหนามันเป็นอย่างไรเมื่อใจมันรวมอย่างนั้นการนั่งภาวนาจึงไม่เลยมีการมีเวลาคือมันไม่เลยกกำหนดการว่นนานเท่าไหร่เพราะใจมันไม่ไมาเกี่ยวข้องกับเรื่องทางนอกถ้าจิตไม่ถอดถอนขึ้นเมื่อไรจะนั่งไปกี่วันกี่คืนมั่ก็อยู่ได้อย่าง พระอริยะเจา้าท่านเขานิโรธสมาบัตินั่งถังเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่เห็น่ายหนักทายเบาไม่มีนิ้วมีกระหายเพราะใจของท่านในเกี่ยวกับการเวลาไม่ออกมาสูเรื่อคขังนอกจิตของเรารวมธรรมดาก็เหมือนกันแต่ท่านทีนี้โดยกล่าวว่าเป็นนิโรธก็เพราะว่ามันอยู่ไม่ได้นานอย่างท่านมารวมเข้าไปถึงจุดที่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 ในาหรับตำลาท่านบอกทา่านตาเอาไว้แต่เมื่อมันเป็นขึ้นกับใจเราจะไปหาตำลับตำลามาอ่านมันไม่หายต้องฝึกต้องปฏิบัติเมื่อจิตสงบสงัดมาที่นิพพานนะาเรื่องมันติดข้องแวะคิดต่างๆเกาะเกี่ยวต่างๆยึดถือต่างๆมันเป็นเพราะอะไรรูปนั้นนั้นแต่ก่อนเรายังไม่เห็นมันมีไหม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 แล้วความกำหนดหนักยินดีลุ่มหลงในรูป่งเกิดราคะตัณหานั้นหมายถึงจิตไปมั่นหมายว่าหญิงว่าชายว่าสวยว่างามต่างๆเมื่อเรามีสมาธิอบ ร, รมจิตตั้งมัน่นถอดถอนขึ้นมาพิจารณาทางปัญญาทางวิปัสสนาเราจะมีปัญญา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 ที่สวยสดงดงามต้องพิจรารณาตามธรรมชาติของมันเมื่อจิตมีสมาธิมันจะข้าไปเห็นธรรมชาติของรูปนั้นนั้นตามเป็นจริงของมันคือพิจรารณาของตัวเองเท่านั้นมันก็ทราบที่มันไหลออกมาโยมออกมาได้อาบน้ำต้องลากตัวอยู่เรื่อย เพราะเหตุใดพอมันเน่ามันปฏิกูลถ้าผ่อนผ่อนสบายที่นุ่งหม่มเมื่อนุ่งไปในซักฟอกมันเป็นอย่างไรเพียงรูปที่ยังไม่ตายมันก็ยังแสดงอากับกิริยาความบูดเน่าของมันออกมาถูกเสื้อผ้าในนี้กลิ่น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 ความสลดสังเวชอาจจะเกิดความกลัวขึ้นเพราะมันไม่น่าดูเอาเนื้อออกไปเหยื่อจะเอ็นกระดูเป็นอย่างไรพี่เจนะให้เห็นตามเป็นจริงของมันว่ามันไม่น่าเลื่อมใสน่ายินดีน่าพอใจน่าลหลงไหลติดข้องเพราะสิ่งเหล่านี้ปฏิกูนทั้งนั้น หรือจะพีจารณาอวัยวะภายในดูตับไตใส่พุงต่างๆมันเป็นอย่างไรตับหมูตับไก่เห็นแล้วยังอยากขายยังมีราคาคนเขาถือว่าเป็นอาหารแต่ตับไตใส่พุิของคนนี้เห็นแล้วไม่เป็นอย่างนั้นไม่มีความอยากไม่มีความพอใจ เราทั่วไปไเคยกินสิ่งเหล่านี้มันจึงกลัวกันน่ะเกลียดถ้ามันทะลักออกมาข้างนอกเพียงเราเห็นแถานั้นเราก็ไม่พอใจแล้วนี่ทําไมเพียงหนังห่อหุ้มอยู่แถานั้นเราก็หลงกันเรามีปัญญาหรือหาปัญญามิได้มันจึงหลงไหลใส่ฝันอย่างนี้ มันจะเกิดปัญญาสามารถขับไล่ราคาตัญหาความกำหนัดยินดีของใจออกไปได้นี่คือทางปัญญาที่จะพิจารณาเรื่องของรู้ที่เราติดข้องเรายึดถือถ้าพิจารณาแยบคลายเท่าไรใจมันเห็นชัดเท่าไรมันจะเบือ่อหน่ายเท่านั้นจะพิจารณาลงไปเป็นธาตุ น, น้ำลมไฟ ที่มีอยู่ในกายมันก็พิจารณาได้สิ่งที่ขนแข็งต่างๆ่าเนื้อมันเสื่อมมันสลายลงไปมันก็ไปสู่ธาตุเดิมของมันไม่มีอะไรเป็นหญิงเป็นชายเป็นหนุ่มเป็นสาวเพียงแต่ดินเท่านั้นเขาไปเผาเป็นเ่าเป็น่า น, านเป็นอย่างไรชอบใจไหมเสลอที่ไหนงานที่ไหน พิจารณาดูให้ถึงใจในเรื่องของการพิจรารณาทำมาเพื่อแก้ไข ข, ขับไล่จิตใจถือยึดถือให้ตกไปเมื่อเราพิจรารณาเรื่องของเราเข้าใจชัดเจนเข็นประจักเราจะสงสัยอะไรห่อคนอื่นในอดีตกว่าตามในปัจจุบันกว่าตามในอนาคตกว่าตามมันไม่มีสวยงามมันเป็นอย่างนี้พูดถึง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 ยังไม่ถึงธรรมะขันละถอนพระพุทธเจ้าส า, าวกท่านก็มีรูปเหมือนกันมีเสียงเหมือนกันในสมัยนั้นแต่ท่านทําไมไม่ติด ข, ข, ข้องก็เพราะท่านพิจิทรเจรานาของท่านให้เห็นตามเป็นจริงเมื่อเห็นตามเป็นจริงจิตก็จะยึดยอมยอมจนอนํมานนไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเป็นอะไร